บททีเจ็ดสิบสี่ิฟีรขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างเบอมนัว <om> คุณช่วยตัดผมให้ดิฉันได้ไหมคะคันดค Can d u clip t e h r m อย่าให้สั้นเกินไปนะคะ v ว n นลิขส i me, k k ิ์ไม่กี่ฟุต n ั้นอีกนิดนะคะลิทคั่นเร็ k ทักช่วยล g างรูปให้ได้ไหมคะคุณจะนำภาพเ l ล่าน s ้มาแสดงได้ไหมรูปอยู่ในซีดีค่ะภาพอยู่ในซีดีค่ะภาพอยู่ในกล้องค่ะภาพอยูา ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมคะคุณช่ว e ซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมคะคุณ du วยกาให้ไ t ้ะคุณตอก่อหม่หดมดช่วยรี้ดอ้วอน้วนให้ได้ไหมคะให้ได้ไหมคะ ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะคุณช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะคุณช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะคุณช่วยซ่อมรองเท้าคู่นีห้่อหยร่หได้ไหมค่วยคได้ไหมคะคีไม่้ีดหอรไชอไหมคะช่คไหมคะ คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะคุณสูบซิการ์ไหมคะสคุณสูบบุหรี่ไหมคะคุณสู่ไหคุณสูบไหมคะรี